สำหรับตอนนี้ก่อนที่ท่าน 16 ฉบับ 672 วัน 13 และ 20 หน้า 16 ตอนนี้ลงหรือพระพุทธหรือพระพุทธ ที่ประภัสสรบุญญเกียรติได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์กนกุฏิ <c oughs> ปีที่ 16 ฉบับที่ 672 ลง 13 ซึ่งหน้า 16 ตอน 1 ลงข้อความ คลิกเข้านอกออกในได้โดยแทบไม่ต้อง นักกเธอไม่ได้ตามความต้องการเธอเป็นพิเศษตามนั้นข่าวที่ลงจากความเป็นจริงทั้งหมดทั้งนี้มาอาจจะผิดพลาดจากความเป็นจริงมา หรือบางทีเธออาจจะไม่ได้พูดแต่บางประชาอาจ แม้จะเป็นศิษย์นาคกุฏิคือแบบที่ญาติ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าข่าวที่ที่กล่าวที่กล่าวมานั้นคล้ายเพื่อนกับก็มาคุยกันเรื่องทั้งมหาราชทั้ง 4 ทั้ง 2 เป็นอันว่าจุลัยเมื่อกล้าจากท่านเทวดาแล้ว แทนที่จะกลับโปรมาสู่ร่าง <c oughs> เวลานั้นสมเด็จพระบรมครูได้สัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเว ได้เสียติดต่อกันบ้างอยู่ร่วมรักกันบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไป เรื่องนี้มีทุกสมัยนี้มีทุกสมัยในสมัย ไอ้อย่างนั้นเค้าเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่ว่าท่านหลายพระอย่างพระสุนทรสมุทรท่านยังไม่ได้อรหันต์ท่านพิจารณาตามถ้อยคําของหญิงแม่ศยาแล้วก็เสื่อสลบใจในที่สุดก็ พระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระ บรรดาพระบริษัททั้งชายทั้งหญิงภิกษุสามเณรภิกษุณี ให้แต่ก็มาในตอนหนึ่งพุทธเจ้าเสี่ยมจากความดีตะกะมาในตอนหนึ่งเค้าก็ สัมมวิหารก็คือวัดในขอบเขตวิหารของ ตอนเช้าก็ออกมาเขตวิหารก็คือเขตวัดมันกว้างขวางใหญ่โตพระวิหารเวลานั้นจุพระ 500 องค์บ้าง 1,000 องค์บ้าง 10,000 องค์บ้าง ใครก็ถามข่าวคือก็ประกาศว่าเมื่อคืนนี้ฉันไปนอนกับพระสัมมนา <c oughs> แต่ที่สงบนิ่งอยู่ แต่ความจริงหลานรักวิหารของพระพุทธเจ้าการจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเองเป็นแสนแสนยากเหมือนกับหลวงปู่ของเองนั่นแหละหลวงปู่ของเองก็ตามที่เถอะการเข้าหานั้นแสนยากเพราะเวลา 3 ชั้นต้องผ่านด่านพระทั้ง 3 ชั้นจึงเข้าไปได้ใน นอกจากนั้นแล้วท่านไม่รับใครทั้งหมดแม้แต่ กว่าจะผ่านด่านเข้าไปถึงองค์สมเด็จพระจินสีได้น่ะแสนยากฉะนั้นจินตมานุกาจึงไม่มีโอกาสเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไปยังออกข่าวเมื่อออก ในเมื่อเค้ามีเหตุมีผลเห็นว่าเค้าเข้าไปเข้าไปสถานที่ใกล้พระพุทธเจ้าเค้าไม่เคยเห็นจิตนำมา ยิ่งทำไม้กึงกลมๆคล้าย เห็นว่าท้องหนุนๆดีแล้วคล้ายๆกับคนท้องแก่ใกล้จะออกผิวพันเนื้อหนังก็ เป็นเพียงว่าห่าง 4-5 ว่าพระสมณโคดมจ๋าจะ เธอกล่าวว่าจบบรรดาพุทธบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีความเคารพเคารพรักในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังเทศอยู่เขาฟังเทศอยู่เห็นว่าราษฎรกินศาสดาโจมตีสมเด็จพระบรมวงศารูปแบบนั้นก็ลุกขึ้นไล่เอาดินขว้างบ้างเอาไม้ขว้างบ้างถ้าจะ ยังเป็นปุถุชนก็มีมากเห็นว่าคนที่มีการกั่นแกล้งองค์สมเด็จพระพุทธภูมิมีประภาคน์ไปกล่าววาจาจ่วงหยาบอย่างนั้นเขาก็โมโห ทำไมไม่ช่วยกันตัดฟืนตัดตองมา การพูดแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะทําให้คนฟังงงคิด ปู่ขอเล่าให้ฟังนี่ปู่เองคำว่าๆคลานเข้า กระดานและผมไม้ <c oughs> วิ่งมาวิ่งไปความหนักของบาปแผ่นดินทนนี่หลานหลานสมัยพระองค์สมเด็จพระมีอย่างนี้เหมือนกันอย่างหลวงปู่ของหลาน หรืออาจจะเห็นมาบ้างการกล่าวว่าเป็นรู้สึกกรุณาธิอาจจะหวังผลประโยชน์ ว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ยังมีคนแอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผัวของเขาพระพุทธเจ้าทํา เวลานี้นั่นนะหลวงปู่ของหลานน่ะกําลังมีมรสุมคนที่มุ่งร้าย หมายถึงว่ามี 6 ธันวาคม 2532 วันนั้นปู่ของหลานคําว่า แต่ว่าพอเสร็จภารกิจแล้วหลวงปู่ทั้งหลายก็ คำว่าราชพิเศษไม่ทราบเขาน้องว่าคน <c oughs> เวลจาที่กล่าวในการแสดงออกเหมือนกันคล้ายเพื่อนแต่อายุจริงๆเห็นจะอ่อนกว่าหลวงปู่เธอมากจะอ่อนกว่าเกิน 20 ปีหลวงปู่ท่านก็เฉยแล้วก็ยิ้มๆครุ่นคิดในใจท่านนึกในใจว่าเอ๊ะอะไรคนคนนี้เราเคยพบที่ไหนเคยชอบพอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คิดสงสัยแค่นี้ไม่ ก็ขอพระองค์สิถ้าที่ติดรถก็ประกันออกไปก็บอกว่าโลกข้อจะล้มเป็นนั้นว่าบุคคลที่กล่าวมานี้ถ้ามอง มีมีความประสงค์ร้ายแต่หลวงปู่ของเธอแต่ <c oughs> โคจินตมานิกากล่าวได้แบบนั้นทั้งๆที่องค์ทรงตรัสพระพุทธกวัณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทราบว่าเป็นกรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะแต่ชาติไหนที่มีอีกมีการ ความจริงกรรมนี้ไม่ใช่กรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกรรมของพวกติฐิ ตนเองเสื่อมลาภลงไปเพราะจริงการบวชของเขาการตั้งตําแหน่งเขาเป็น <c oughs> <c oughs> เออก็ต้องลงเอาเวทีมารณรงค์ทั้งทั้งที่ <c oughs> คือไล่ ถ้าพระพุทธเจ้าถูกถูกกล่าวอ้างนินทาชั้นนั้นอันนี้น่าสะลดใจตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวต่อไปอีกนิดนึงเพราะเวลาเดี๋ยวน้อย เพราะเกิดไปเกิดเป็นเทวดาได้ประเภท ศีล 5 ข้อคือปาณาติบาตเค้าหากินปาณาติบาตไปอากินมันดีมันละมันดีไม่ละมันพระไม่เว้นในการที่ 2 อทินนาทานมีโอกาสมาไรขโมยมานั้นในการที่ 3 กามเมสุมิจฉาจารมีอารมณ์อะไรปลอดอะไรทํามานั้นในเวลานี้ 4 อดีต 5 สาราเมไรมีโอกาสอะไรถึงเมื่อนั้นเขาไม่เคยละนอกจากนั้นคือใครเข้าทําบุญทํากุศลที่ไหนมาจะแกร่งแก่ง แต่กายคาถาก็ทําความดีทําบุญทํากุศลกันเขาบอกแล้วเห็นแล้ว มีอธินาทานในของควบคุมกัน มีความเสื่อมไปทุกวันตั้งกลางมีการ ถึงแม้ว่าแก่มากก็ยังใครก็ฟังธรรมฟังใครก็ฟังธรรมกันสนทนาค่ํากันเห็นแล้วแกร่งทํามันเห็นเขาพูดได้ยิน เอาหลานๆรักเวลามันหมดแล้วสวัสดี